เกิดิะลับเชาามดเป็นปัจจัยกับความไม่รู้นี่ตัดโลกทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเดี๋ยวนี้แหละคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดเยอะแต่ไม่รู้ หรือบางอย่างรู้แต่มันยังไม่แจ้งในหัวใจจริงๆมันก็เลยฝืนครับหรือว่าทำผิดไปทั้งอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นเหตุไปง่ายๆพระคุณเจ้าไอความไม่รู้เนี่ยง่ายๆเลยเอาว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายบวชในพระพุทธศาสนา เปล่งวาจาขอพระอุปัชฌาย์อาจารย์อุปสมบทว่าเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละแต่เราได้ทำแค่ไหนนี่กิจของพระภิกษุแท้ๆเน่ะ เราได้ทำแค่ไหนแล้วคนอื่นได้ทำแค่ไหนท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยพระคุณเจ้ากระผมขออนโมทนาตั้งใจที่จะทำตามที่ได้เปล่งวาจาต่อพระอุปัชฌาอาจารย์แล้วไอ้ที่ไม่ได้ทำนะ่ะมีมากกว่านี้เยอะแยะนะทำไมจึงไม่ทำเพราะความไม่รู้อวิชชาตัวเดียวแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนฐานะใดถ้าไม่ได้กระทาอย่างน้อยใจอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ได้ผลดีที่สุดตลอดเวลาท่านเหล่านั้นอวิชชาหนาแน่นเท่านี้แหละครับแล้วเมื่อไม่รู้หนาแน่นอะไรเป็นเกิดศีลหรือวินัย เป็นยังไงบ้างเมื่อมาที่นี่แล้วนี่แหละครับจึงกระตุ้นกันทีเดียวว่ากิจของพระภิกษุแล้วก็สามนเณรอุบาสกอุบาสิากาตั้งใจทีเดียวนะครับรักษาศีลรักษาพระวินยัยพุทธบัญญัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาเห็นชอบคือรู้ พันในกิเลสอยู่ตลอดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้กระันั้นเรายัางรู้ไม่หมดเรายังรู้ไม่หมดรู้ไม่แจง้งเอาง่ายๆเลยครับแค่เด็ดใบหญ้าเนี่ยหรือทมน้ำลายบ้วนน้ำลายรถหญ้าเท่านี้เราทราบไหม ว่าผ ล, ลักรรมที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าไม่ได้กระทำกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการแสดงนี่สำหรับพระภิกษุผลเป็นยังไงผล น, นะครับเราไม่รู้นะครับไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งก็ได้ยินตามเขาอีกแหละ บางท่านก็เคยได้ยินบางท่านก็ไม่เคยได้ยินพยานาคเอรกปัดยังไงเป็นตัวอย่างที่ดีภิกษุนั่งลงมาในเรือเรือผ่านไปมือก็ไปจับเอาใบตะไคร้น้ำขาดขาดเรือก็อับบาง ในขณะนั้นมันจะตายขึ้นมาแต่มองเห็นคนที่จะแสดงคือปรงอาบัติเนี่ยพิษุ้วยกันมองไม่เห็นไม่ได้ปรงอาบัติไม่ได้แสดงไม่ได้ทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้แหละบวชมาเป็นพิกษุนับมือนนับแสนชาตินับพบนับชาติไปทวนอุตสา บำเพ็ญบารมีมาแค่นั้นผลไปยังไงไปเกิดเป็นพญานาะคนอนหลับอยู่นั่นเป็นสัตว์เดรัฉานนับพบนับชาติไม่ท่วนมันทีเดียวนะนับปีไม่ท่วนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ทีหนึ่งก็เวลาพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก่อนจะบรรลุพระานุตตรสัมมาสัมพุิญานก็ลอยถาดทองคําฉันทตหาเนี่ก็ลอยถาดทองคําอธิษฐานซึ่งนั้นเป็นธรรมดาของพระมหาโพธิสัตว์ที่กําลังจะบรรลุพระานุตตรสัมมาสัมพุทฺธยานนั่นแหละจะมีปรากฏแต่ละองค์ละองค์ พอเสียงถาด ท, ทองคำกระทบอยู่ที่พื้นมาดานกริ๊กหนึ่งถึงจะรู้ตัวอ๋อพระพุทธเจ้าเกิดมาองค์นึงแล้วนั่นหละพญานาคเอรากปัดเดี่ยแม่ทนทุกทรมานเป็นสัตว์ดีรชานนานเท่านานอยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระอุปนิสัยเดิมมีอยู่ ไม่ได้ฟังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอุบายอุบายว่าถึงวันพระก็แผ่พังพานขึ้นเหนือนา้านี่ในสมัยพุทธกาลเนะีแผ่พังพานขึ้นเหนือน้ำให้ลูกสาวลูกสาวขึ้นมารําฟ้อนร้องเพลง เขากว่าเพลงขับร้องเพลงเป็นปริศนาธรรมถ้าใครแก้ปริศนานี้ได้ยกลูกสาวให้ลูกสาวสวยเหลือเกินไม่รู้ว่าใครต่อใครก็พยายามมาร้องเพลงขับแก้ปริศนาธรรมนั้นไม่สําเร็จจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปทางนั้นทรงเห็น เห็นมานบน้อยดุมดุมดุมดุมมาใชฝึกร้องเพลงมาแล้วจะไปแก้เพลงขับอยากจะได้ลูกสาวพญานาคคนงามพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ามานบเนี่ยไม่สำเร็จ่ะเพลงขับนั้นไม่ได้เรื่องก็เรียกมามันนี่ที่เธอจะไปไหนบอกจะไปร้องเพลงขับ เพื่อแก้ปัญหากับโน่นแหละนางลูกสาวพญานาคอ้าวไหนลองว่าให้ฟังทีมานบนั่นก็ว่าให้ฟังพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ยนี่ใช้ไม่ได้แก้ไม่ได้รอกต้องอย่างนี้ทรงแก้ทรงแก้ว่า คือร้องในเนื้อความว่ากิเลสที่อยู่บนธุลีเนี่ยอย่างไรแล้วก็จะแก้กิเลสนั้นได้อย่างไรทำนองนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนมานบให้ไปร้องเพลงแก้ ว่าไอ้ที่สิ่งไม่ดีที่ปรากฏอยู่บนพระเสียรของพระราชานั้นก็คือกามกิเลสถ้าใครไม่มีกามกิเลสคนนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์ร้องเพลงแก้อย่างนั้นตรงเป้าเมื่อนางนากร้องมานพนี้ก็ไปร้องเพลงขับ ตอบพาร้องเพลงขับตอบลูกสาวพญานาค ก, ก็รู้ทีเดียวว่าอ๋อเขาตอบถูกต้องพญานาค ก, ก็ปรากฏตัวขึ้นเพราะรู้แล้วด้วยอุปนิสัยของตนที่เคยเป็นภิกษุว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกไม่รีบถามทีเดียวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน มานบนยังไม่รู้เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าพญานาครู้แล้วก็ไปกราบแทบพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้องไห้สะอึกสะอื้นทีเดียวแม่ดีใจเหลือเกินวันนี้ได้พบพระพุทธเจ้ารอมานานเต็มทีอยากจะฟังธทรรมอยากจะพบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบเลยมานานแล้ววันนี้ได้พบ ทั้งปีติปลืม้มปีติกราบแท้พระบาทแล้วก็ฝังธรรมแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าท่านก็ตั้งใจรักษาศีลแปดไปก็แล้วกันชาตินี้ท่านยังเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนั้นไม่มีแล้ว จนกว่าจะพ้นสภาพของสัตว์เดรัจฉานจึงเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละจึงจะได้มีโอกาสบรรลุมรคผลได้พยญช น, นาก็ยิ่งโศกเศร้าหนักเข้าไปอีกแต่ว่าก็ทราบตามความเป็นจริงนั้นแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตลอดมานี่เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าเพียง มือไปเด็ดใบตะไครน้ำขาดแล้วไม่ได้แสดงอาบัตตายไปแล้วเป็นสัตว์ดีรชานนี่เป็นเรื่องเพียงนิดเดียวมีอื่นอีกมีอื่นอีกมากท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินพระภิกษุ ชอบใจรักจีวรที่พี่สาวถวายให้จีวร น, นั้นงามพี่สาวทอให้ใหม่นี่เล่าลัดตัดความและวันนั้นพี่สาวได้ทำบุญกับพระน้องชายดีใจชื่นใจเลี้ยงใหญ่เลยถวายพระอิ่มพระองค์นั้นภิกษุนั้น ฉันมากผิดปกติก็ด้วยความเบิกบานใจคืนนั่นอาหารเป็นพิษตายมรณาภาพในขณะที่ใจเนะี่ยผูกพันรักจีวรว่าจีวร น, นี่สวยพรุ่งนี้แหละจะครองละเท่านี้นหะพระคุณเจ้าทราบไหมว่าเกิดเป็นอะไรเป็นเลนนะเป็นเลนนะร้องไห้อยู่นั่นแหละแต่ตอนแรกก็ไม่ร้อง รุ่งเช้าพระเพื่อนภิกษุด้วยกันก็ปรึกษากันว่าในสำนักนี้ก็ไม่มีคนอื่นที่จะเฝ้าดูแลภิกษุไข้จึงไม่ต้องแบ่งแก่ใครถ้าพื้นนี้ตกเป็นของสงเรามาตกลงแบ่งกันเถอะเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณรีบให้พระ อ, อนตน์ มาบอกว่าให้รอไว้ก่อนเจ็ดวันแล้วจึงค่อยแบ่งกันพระภิกษุทำตามนั้นเมื่อครบเจ็ดวันก็แบ่งกันแบ่งกันแล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตรัสเรื่องนี้ว่าพระภิกษุรูปนั้นด้วยอุปทานนั่นแหละอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบชาติ นั่นแหละมาจากสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติเกิดแล้วเป็นเลนด้วยอำนาจของอวิชานิดเดียวเกิดเป็นเลนเจ็ดวันร้องไห้อยู่นั่นแหละรู้ว่าพระจะแบ่งกันและถ้าว่าแบ่งกันจริงๆเขาเลนนั่นจะบริพาทด่าพระจะด่าพระว่าพระนี่ปล้นจีวรของกูเป็นของกูไปอีกแล้ว ที่นี่ก็นั่นแหละจะตกต่ำไปอีกมากมายนะก็ทรงโปรดให้ว่าอย่าเพิ่งแบ่งกันเลนก็บรรเทาแล้วก็เจ็ดวันเลนก็ตายไปเกิดในชั้นดาวดึงด้วยอาณิสง์เดิมที่เคยได้บวชเป็นพระเพราะฉะนั้นภายในวัฏฏะมีมากเราไม่รู้ บางทีเราไม่รู้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเราไม่รู้เลยแต่การที่จะคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดแล้วได้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันในอนาคตถึงข้ามภพข้ามชาติเรารู้ไม่หมดไอความรู้ไม่หมดน่ะคืออวิชชาที่ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้เงื่อนตนไม่รู้เงื่อนเบื้องปลาย ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมคือเหตุในเหตุที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์โดยมีอวิชชาเป็นรากเหง้าเพราะฉะนั้นการที่จะกำจัดทุกข์ได้ถาวร น, นั้นต้องกำจัดที่อวิชชาและอะไรเรามากำจัดอวิชชาก็วิชาตรงกันข้ามกับอวิชชา วิชาเกิดได้อย่างไรวิชาพาคียะที่หลวงพ่อท่านสอนนี่แหละที่กระผมจะวกมาตรงนี้วิชาพาคียะวิชามีสองอย่างคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งที่หลวงพ่อว่าไว้ทีนี้การที่จะทำวิชาให้เกิดต้องทำยังไงต้องสมถะก่อน สมร t ใจต้องหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงจนถึงยกอารมณ์ขึ้นสู่วิตกวิจารณ์ตรึกตรองประคองนิมิตปีติสุขและเอกัคตารมและองค์ธรรมหรือองค์แห่งฌานทั้งห้านี่แหละเป็นพนักงานกำจัดกิเลสนิวร คือความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรีกระเปล่าแห่งจิตใจถีณมิทะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาบาทนี่ล้วนกำจัดด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุขกำจัดอุทธัจจกกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจเอกัตารม์กำจัดกามฉันทะ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 วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้บรรยายถึงหลักในการปฏิบัติให้รู้จักอวิชชาเหตุเกิดทุกน่ะคือตัวที่จะทำให้จิตใจของคนเรานั้นเศร้าหมองด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาราคะต่างๆซึ่งจะเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประกอบกรรมที่ไม่ดี เมื่อประกอบกรรมที่ไม่ดีจิตใจก็เศร้าหมองด้วยอำนาจของอวิชชาหรือว่ากิเลสตัณหาเหล่านั้นเมื่อจิตใจเศร้าหมองในขณะที่ใจเราเศร้าหมองความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราดับชีวิตหรือว่าสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นในขณะที่จิตใจเราเศร้าหมองนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจิตเตสังกิริเถ ทุกขติปาติกังขาเมื่อกิจเศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังทุกขติคือภูมิที่ไปที่ไม่สบายสี่ประเภทสี่เหล่าด้วยกันคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายและสัตว์เดรชานซึ่งภพภูมิเหล่านี้ก็มีอยู่ปรากฏในคำพีที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้พระอัตกฐกถาจารย์ทรงรจนาไว อธิบายพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกนั่นในส่วนของคำพีแต่ในส่วนของการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสสภาวะธรรมเหล่านี้ที่มีอยู่จริงภพภูมิเหล่านี้ที่มีอยู่จริงซึ่งพระองค์ก็แสดงไว้มีมากมายหลายแห่งในคมภีส่วนผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อจิตสงบ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เมื่อจิตสงบก็สามารถที่จะไปสัมผัสไปรู้ไปเห็นสภาพธรรมเหล่านี้ได้เมื่อรู้เมื่อเห็นสภาพธรรมเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ละวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัณหาและทิฏฐิในกรรมที่ไม่ดีจะได้ทำแต่กรรมที่ดีเมื่อเห็นแล้วเช่นว่าคนที่ทากรรมไม่ดี ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกอสูรกายและสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เราก็จะได้สำรวมระวังไม่พยายามประพฤติปฏิบัติตามกรรมชั่วที่จะทำให้เราไปกำเนิดเป็นกำเนิดนไปเกิดในทุกขติภูมิเหล่านั้นหลักธรรมคาสอนหลักพิธีการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงวางหลักไว้เรียบร้อยแล้ว หรือแต่สาธุชนเท่านั้นแหละที่จะศึกษาสัมมาปฏิบัติในเบื้องต้นเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นบาตรฐานในการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ภูมิของพระอริยบุคคลไปเข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสนะคุณธรรมที่ละเอียดในส่วนของโลกุตระภูมิหรือโลกุตระเป็นพระอริยเจ้าอริยสง ตามลำดับตามบุญบารมีที่ปฏิบัติได้ซึ่งก็จะเข้าไปเห็นทั้งสภาพธรรมที่อยู่ในภพสามมีกรมภพรูปภพและอรูปภพสูงขึ้นไปก็จะเข้าไปสัมผัสไปรู้ไปเห็นซึงสภาพธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปรามังสุขขังหรืออมตะตังประทังหรือนิพพานังปรามังสุขขังนั่นแหละจะเข้าไปรู้ไปเห็นตามลาดับ แล้วเราก็จะได้ดำเนินไปในแต่ทางที่ดีแนวสูงขึ้นไปละวางอุปทานในสิ่งต่างๆได้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ทางรายการธรรมสุสันติก็นำหลักในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นเพื่อที่จะอบรมจิตใจอบรมปัญญาของเราให้เห็นแจ้งแทงตลอดใน พระอริยสัจธรรมทั้งปวงจากคำบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุธทธิคุณนั้นก็ชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาธรรมะเรื่องนี้ยังไม่จบสมบูรณ์เหลืออีกอยู่หนึ่งตอนขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการและติดตามรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันวันนี้ อาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบารมีของบุรพาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรขอจงมาปกปักอภิบาลคุ้มครองญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติโรคาพาททั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน คิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่อยู่ในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จทุกประการทืนเจริญพร